มนุษย์เราส่วนมากยังไหววนอยู่ในวัฏจักรแห่งดีบ้างชั่วบ้างดีปนชั่วบ้างอยู่อย่างนี้จึงมิอาจพ้นทุกไปได้โดยสิ้นเชิงสำหรับความหวังที่เรามีต่อผู้อื่นนั้นขอให้นึกไว้เสมอว่าจะหาใครเหมาะใจที่ไหนเล่าตัวเราเองยังไม่เหมาะใจเราหนาอันนี้จังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจ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 ถ้ามองในแง่ร้ายอาจให้ความทุกข์แก่เราอย่างมากแต่ถ้ามองในแง่ดีและในแง่ของการศึกษาเรียนรู้แล้วอาจให้ความสุขความพอใจแก่เราก็ได้สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโครนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพลายเพราะฉะนั้นขอให้พยายามสร้างนิสัยนักศึกษาขึ้นในตน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 ทำให้เกิดปมด้อยบ้างปมเขื่องบ้างไม่เป็นตัวทั้งตัวเองเพื่อความสงบสุขของชีวิตต้องพยายามลดปมให้ได้ไม่มีทั้งปมด้อยและปมเขื่องเป็นตัวขังตัวเองใจก็จะเป็นอิสระมีความสงบสุขเพื่อความสงบสุขแห่งชีวิตเราควรปฏิบัติตนอยู่ในหลักต่อไปนี้หนึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนและนิยมยกย่องผู้อื่น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 สังคมก็มีส่วนอยู่ไม่น้อยในการกำหนดทางดาเนินชีวิตของคนแต่นั่นสำหรับคนธรรมดาต่างหากเล่าหาใช่ผู้มีปัญญาไม่ผู้มีปัญญาย่อมดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแก่ตนประดุดดวงดาวโคจรไปตามวิถีแห่งตนมิใช่ใบไม้ร่วงที่สุดแล้วแต่ลมจะพัดพาไปคนที่เป็นประดุดใบไม้ร่วงนี้มีอยู่มากในโลก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 ความดีของปุถุชนจึงยังเป็นความดีสัมพัทธ์หรือ relative good อยู่คือดีกับคนอื่นที่เขาดีกับตัวใครร้ายกับตัวอาจร้ายตอบเป็นสองสาเท่าก็ได้คลาวใดกิเลสครอบงามอย่างรุนแรงตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอาจทำความไม่ดีได้มากๆพระอระหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วไม่ถูกกิเลส ช, ชักจูงแล้วจึงจะเรียกได้ว่าดีโดยสมบูรณ์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 ทำคนไม่ให้เป็นคนแต่ทำพวกเขาให้เป็นยักษ์เป็นมารคอยประหัสประหารกันมีความสุขด้วยการทำร้ายผู้อื่นยิ่งการชกมวยซึ่งมาในนามกีฬาเหมือนกันแล้วยิ่งไปกันใหญ่มันเป็นการทำร้ายกันเป็นฆาตกรรมที่สังคมชี้ น, นาให้เห็นเป็นกีฬามวยปล้าของฝรัง่งยิ่งเป็นการทารุณกรรมอันยิ่งใหญ่ที่โลกพากันตื่นเต้นยินดี คุณพ่อบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มนุษย์ได้ตั้งจิตไว้ผิดมีความดำริผิดในทางดำเนินเหมือนรถไฟที่เจ้าหน้าที่สับรางผิดรถแล่นไปในรางที่ผิดจึงชนนั่นชนนี่ยุ่งไปหมดถ้าแล่นไปในรางที่ถูกก็ปลอดภยัยและถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ยากมนุษย์เราส่วนมากชอบฟังเสียงแห่งมารมากกว่าเสียงแห่งธรรม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 นอกจากท่านผู้ใดบรรลุบุเพนิวาสารุสติญาณคือการระลึกชาติได้ทิพจักสุยานหรือจุตูปปาตาญาณคือการรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายจึงจะกำหนดได้ง่ายขึ้นตรวจสอบได้เป็นรายรายไปอย่างไรก็ตามชะตาชีวิตย่อมเปลี่ยนไปตามการกระทาและความตั้งใจของเราโชคชะตาหาได้กำหนดอนาคตของมนุษย์ไหม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 แต่มันมีบทบาทกําหนดวิถีชีวิตของเราให้เป็นไปต่างๆในการสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีงามนั้นจะต้องมีความภาคเพียรและความอดทนเป็นอย่างมากปราศจากคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วย่อมไม่อาจทําให้สําเร็จได้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้บุคคลเจริญเติบโตได้มากเหมือนพันไม้ซึ่งมีแก่นอยู่ภายใน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 ให้วรัญญาฟังอีกเป็นเวลานานและพูดต่อไปรู้สึกท่านจะมีความสุขเมื่อได้พูดเรื่องนี้เตือนให้วรัญญาเจียมกายเจียมวาจาและเจียมใจในการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นคำพูดเพียงคำสองคำอาจส่อให้เห็นอุปนิสัยอันดีหรือเลวของผู้พูดทํานองเดียวกับสายบัวเป็นเครื่องวัดน้ำต้นหญ้าเหี่ยวหรือสดชื่นเป็นเครื่องวัดแผ่นดิน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 ขณะนี้ดวงจิตของเขาย้อนคำหนึ่งถึงอดีตสมัยเมื่อยังหนุ่มเขาเกิดในตระกูลซามมไรเมื่อได้ศึกษาวิชาการและจริยธรรมของซามมไรจบแล้วไปทํางานเป็นเจ้าหน้าที่อารักขาคุณนางผู้หนึ่งเขารูปงามสุภาพอ่อนโยนแต่เข้มแข็งเด็ดเดียวอย่างชายชาตรีจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของพัญญาขุนนางเธอทอดสะพานให้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 ซามูไรต้องอยู่อย่างเดียวดายมโนธรรมและจริยธรรมของซามูไรเริ่มศาสตร์ส่องดวงใจให้สว่างด้วยเหตุผลซามูไรํานึกบาปของตนรำพึงว่าทาอย่างไรหนอจึงจะลบล้างบาปอันนี้เสได้วันหนึ่งผ่านมาที่ภูเขาลูกนี้เห็นคนสัญจรจําเป็นต้องปีนป่ายเพื่อข้ามภูเขาอันสูงชันต้องเสี่ยงอันตราย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 หากแสดงตนว่าเป็นใครก็คงจะถูกประหารอีกคนหนึ่งในระหว่างที่กำลังจะถูกประหารนั้นพระเจ้าทีคิติโกสนเหลียวมาเห็นทีคาวุกุมานพระราชโฉลกของพระองค์เกรงว่าพระราชโฉลกจะทำอะไรไม่เหมาะสมจึงทรงเตือนด้วยพระโอวาทว่าลูกเอ๋ยอย่าเห็นใจการยาวอย่าเห็นใจการสั้นเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร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 วันหนึ่งเสด็จประพาสป่าให้ทีคาวุขับรถพระที่นั่งทีคาวุขับรถเร็วจนขบวนเสด็จตามไม่ทันเข้าไปในป่าลึกมีแต่พระเจ้าพรมทัตซึ่งทรงพระชราแล้วกับทีคาวุหนุ่มทรงเหน็ดเหนื่อยบรรทมบนตักของทีคาวุใต้ต้นไม้วางพระแสงดาบไว้ใกล้พระองค์ทีคาวุนั้น หาโอกาสปลงพระชนพระเจ้าพรหมาทัตมานานแล้วเขาคิดว่าบัดนี้โอกาสมาถึงแล้วจึงดึงพระแสงดาบขึ้นเพื่อปลงพระชนพระราชาแต่ขณะนั้นเองเสียงเตือนเหมือนแววมาจากอากาศว่าลูกเอย๋ยยาเห็นแก่การยาวยาเห็นแก่การสั้นทีคาวุทําอยู่เช่นนี้ถึงสองครั้งเขาชะ ง, งักมือเสียทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงนี้ หรือรึกได้ถึงพระโอวาทนี้พอครั้งที่สามพระเจ้าโรมทัต ท, ทรงตื่นบรรทมพระทรงสุบินนิมิตว่าทรงอยู่ในมือศัตรูเมื่อลืมพระเนรเห็นทีขาวุจับพระแสงดาบจะปลงพระชนพระองค์อยู่สะดุ้งพระไทยสเสด็จลุกขึ้นตรัสถามเรื่องราวต่างๆทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงขออภัยในความผิดพลาดของพระองค์ และทรงเตือนสติทีคาวุว่าถ้าปลงพระชนพระองค์แล้วเขาจะรอดไปได้หรือทัชชนกชนนีจะฟื้นขึ้นได้หรือเป็นต้นทีคาวุนั้นพระโอวาทแห่งพระบิดาเตือนสติอยู่แล้วจึงยอมไว้ชีวิตพระเจ้าพรหมทัตเมื่อเสด็จกลับแล้วพระเจ้าพรหมทัตจึงทรงมอบราชสมบัติแห่งแคว้นโกศลคืนให้แก่ทีคาวุ แล้วให้อภิเศกกับพระรา ช, ชุกุมารีผู้เป็นพระราชธิดาของพระองค์เมื่อพระเจ้าพรมทัตสิ้นพระชนแล้วทีคาวุกุมารก็ได้ครองทั้งสองแคว้นคือทั้งโกศลและกาสีนี่คือคุณของการรู้จักตัดตอนหลักข้อที่สกล้าต่อสู้ความทุกข์ยากความทุกข์ยากลำบากเป็นฤดูการของชีวิต เหมือนต้นไม้ซึ่งจะต้องผ่านฤดูการทั้งสามจึงจะเจริญงอกงามได้ความทุกข์ยากลำบากทำให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจเพื่อนและญาติพัญยาหรือามีดีขึ้นผู้มีจิตใจเข้มแข็งเมื่อมีความทุกข์ย่อมเข้มแข็งมากขึ้นและตั้งหน้าทำความดีมากขึ้นเพื่อเอาชนะความทุกข์ยากลาบากนั้นโปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี้หนึ่ง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 กรมพระยาวชิริยานวโรรสเมื่อประสบความทุกข์ยากลำบากขอให้มีความอดกลั้นทนทานและรักษาความสงบใจไว้ก่อนลิ้นยู่ถังนักปราจีนได้กล่าวไว้ว่าความสงบที่แท้จริงของดวงจิตนั้นมาจากการยอมรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอันหนึ่งขอให้ตระหนักไว้เสมอว่าในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเลวร้ายนั้น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 ก็ไม่ควรทุกร้อนเรื่องใดๆอีกถ้ามีรอก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ปล่อยไปช่างมันหหัดให้รางวัลแก่ตนเองเสบ้างอย่าหวังรางวัลจากผู้อื่นหัดชื่นชมตนเองเสบ้างไม่ใช่คอยแต่จะลงโทษตัวเองซ้ำเติมตัวเองอยู่ร่ำไปแต่ขอให้ชื่นชมอยู่เงียบเงียบแอบภูมิใจในตนอยู่เงียบเงียบเหมือนดอกไม้บาน